ขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องจำชื่อมันละชื่อกี่เด็ดอะไรมันก็มีได้รทั้งนั้นแหละมันก็มาจากความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละกินตัวใหญ่ตัวประทานเราก็มาว่าเออเรามาดู า, าัิยานาสิ่งที่มันไม่ หมไม่ควรเป็นสิ่งลบกวนการทำสมาธิเราก็ต้องกําจัดออกไปเสร็จนีวันห้า้วก็กําจัดออกไปวั น, วนหามาันมาจากลาคะนั่นแหละาคะโทษสโมะมาจากนั่นมันทำเราให้ ตกทุกข์ได้ยากมาหลายภพหลายชาติไม่ท่วดแล้วคอยแก้ไปอดทนเอาเหื่อยเื่อยยากมากขนาดไหนเราก็อดทนไว้ดูเต่พระเจ้าของเราข้าวกินเท่านิ้วก้อ ย, อยนี่เท่าม็ดถั่วเขียวนี่ใช้เวลาปฏิบัติ จเจ้าให้ได้ให้เป็นผ้าละหันสมาสมุตตาให้ได้พร้อมจนเลือแเต่นหนังหุ้มกระดูกนั่นเรียกว่าพระโพธิสัตว์ยังไม่ใช่ผู้คุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นผู้ทธเจ้าเป็นการบำเพ็ญอย่างเด็ดเดี่ยวห้าหานแท้จริง คนในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าใครปฏิบัติที่นี่เรียกว่าทุกขละกิริยาทุกอยากทรมานอย่างเต็มที่ถ้าได้ก็ได้ตอนนี้ไม่ได้ก็ทิ้งกันเลิกกันพระพุทธเจ้าก็ทำมาเหมือนกันใช้เวลาทำทั้งหกปีทางศึกษาวิธีปฏิบัติใน พวกระที่ต่างๆพอศึกษาเข้าไปปฏิบัติตามไปก็เป็นของว่างเปล่าหมดไม่สามารถทำกิจให้บริสุทธิ์ได้พองค์จึงหันมากำหนดลมหมายเจเข้าหาเจออกที่มากำหนดลมหาใจเข้าหาใจออกพระ ล, ละลึกถึงสมัยเป็นเด็กอายุเกดขวบนั่งอยู่ต้นว่า เจ้าสุโทธทนาเลยกษัตริย์ต่างๆก็พากันทานามโมงนอนอยู่ต้ต้นวาพว ก, ก็เห็นไม่มีใครปอดคนแล้วทั้งก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็หนดลมหายใจเข้าออกยังไม่มีคำว่าพุโทธโทธตาโมสังโฆ คนยังไม่รู้จักคำกุดโถคืออะไรทโมโอคืออะไรสังโฆคืออะไรคือมันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีองค์ก็กาหนดลมหายใจเข้าออกจิตเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นฌานเอาต้นว่าไม่ไม่นุมเอียงไปตามพาธิตตั้งตรงอยู่ตลอดเลย ลำเสียงของพระอาทิตยนะ์เป็นเหตุอัศจรรย์พระองค์ประมาณระลึกถึงจุดนี้แหละก็เอากำาหนดลมหายใจเข้าออกพอกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้สมเ็จเป็นผารหารัสในคืนนั้นทีเดียวเพ็นเดือนหก เราปฏิบัติยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรอกกินข้าวสองมื อ, มอกินข้าวมือเดียวลองกินข้าวมือเดียวพราะพระพุทธเจ้าบางทีไม่ได้กินข้าวตั้งตั้งหลายวันแต่สรู้แล้วได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพรองค์อดทนไม่ได้กินข้าวอยู่ตั้ง สี่สิบกวันสี่สิบเก้าวันไม่ได้กินข้าวทุกขนาดไหนธรรมะที่พงทรงแสดงไว้มีแปดเหมือนสี่พันพระธรรมคันเต็มอยู่ในตู้พระไตรปิดกนะ อ่านแทบไม่หวาดไม่ไหวอ่านจนสายตาสั้นนั่นแหละใช้พลังมากคำสอนของครูมากอยู่แต่เราไม่เอามามากไม่เอามาทั้งหมดเอามาเฉพาะหลบหมาย ใ, ใจเข้ากับสติท่านเอง เอาสติกับสมาธิมาฝึกมหาหัดกันมาฝึกหกัดจิตดวงนี้ฝึกจิตของเรานี้แต่ละคนนี้เอามาฝึกมหาหัดพอฝึกไปกจิตก็ดีขึ้นดีขึ้นมีความสงบขึ้นนี่มันน่าสนใจอยู่ เพราะอะไรว่เราเราไม่ได้เอามาทั้งหมดเรามาแค่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกกับมีสติสมาธิในการที่จะรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเอามาเท่านี้เรายังประเสริฐขึ้นมาได้ยังมีสมาธิมีมากมีพลขึ้นมาได้ มันเป็นเรื่องอาจจะจันมากคาํัวามพทธเจนี่มันเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาทำวันไหนเวลาอะไรเมื่อไรก็สามารถรู้เห็นขึ้นมาได้ในเวลานั้นขณะนั้นเราสังเกตดูให้ดี เวลาลมเข้าเวลาลมออกเท่านี้เราดูแค่นี้เองไม่ได้จบทั้ง16ขั้นเลยลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสัน้นออกสัน้นลมใหญ่ลมกว้างขวางนี่หรือลมเล็กนิดเดียวหรือไม่มีลมเลยมีแต่สติอยู่กับจิต กับสมาธิขิดเป็นสมาธิแหละใม่ฟุ้งซ่านส่งไปในเรื่องอะไรเลยแม้วนิ่งอยู่ที่เดียวที่เดียวที่ไหนก็ที่จ้มูของเรานี่แหละที่เราคอยกาหนดอยู่นี่แหละใจเราก็สบายสบายยอดเย็เ่จริงๆถ้าทำถูกทำเป็นแล้วมัน ไปได้ดีถ้าทำให้เป็นก็ฝึกหัดได้หลายวันเข้าเหมือนเราขุดบอ่อน้ำเนี่ยขุดได้สอกหนึ่งให้มีน้ำมันไม่มีเพราะสาเหตุที่จะให้น้ำซึมเข้ามันไม่มีขุดลงไปอีกเม็ดหนึ่งสองเม็ดสมเม็ดเจอน้ำ ขุดขึ้นไปตั้งสเมตรทาเมตร6เมตรนั่นแหะน้ำก็ไหลออกมาเราทำดูดีกันแล้วทำเหมือนขุดน้ำมาแหละขุดลงไปขุดลงไปมันต้องเจอน้ำกินได้ เมื่อ น, นำบาดาลที่เราใช้เจาะ4ี่สบห้าสเมตรมันไม่ไม่ไม่มีมมีน้ำเจาะลงไปหกสิบเจ็ดสิบมีน้ำใช้สรวกสบายขึ้นพอมีน้ำสามารถรับญาติรับโยมมาปฏิบททัติธรรมได้ได้มากขึ้นเอ เวลามีงานมีการก็สะดวกสบายขึ้นต่อสู้กับเรื่องขุดน้ำนุ่้ธรรมดามีที่ไหนก็ไปขุดไปเจาะลำบากมากเพิ่งมาได้น้ำสะดวกสบายได้สองสามปีนี่เเราจรึงกา ร, รับผู้จ้าานพักอาศัยปฏิบัติทำ้วย นี่แหละให้พยายามขุดลงไปให้มันเจอน้ำคือสมาธิคือมัคคือผลคือนิพพานทําไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยเราต้องสู้สู้กับความไม่สงบเนี่ย ดูวยการกำหนดให้มันอยู่กับหมหายใจเข้าออกอถ้ามันสงบลงไปแล้วอยากาจะมากำหนดให้มันหยาบอีกปล่อยปล่อยให้มันสบุบแต่เรามากำหนดอีกใหม่ จใจเราจะฟู้งซานคือคูที่ง่ายว่ามันทําให้ถูกนเองคอยดูให้ดีพรมันสมบูรณมันรวบรวกันแล้วมันตั้งเที้ยงตั้งมันแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรอีกเราคอยดูมันไว้อยา่าผลอย่าไปผลนึกกว่าทำไมอันเดิมนั้นถึงไม่เกิดเดี๋ยนี้ถึงม่เกิด ปัญญาไม่เกิดอน้นนี่อย่าพึ่งไปนึกถึงพวกนั้นอันนั้นมันของมาทีหลังเอาอันแรกให้มันได้สัก่อนคือจิตสมนทำไปเรื่อยๆผู้ช่วยงานทำนก็ต้องทำเหมือนกันไม่ใช่ว่าช่วยแต่งานทำอย่างเดียวแต่ประโยชน์ของเราไม่เอามไม่ได้ หัวหัดให้กิดสบได้ไล้มันละเอียดลงไปกว่ น, กนี้ให้มีความสุขความสงบมากขึ้นกว่านี้อย่าลืมกายของเราอันกายของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้าง แยกแยะออกจากกันไปเอาผมออกเอาขนออกเอาหนังออกเอาเนื้อออกเอาตับไตไส้พุงออกฮึ่ออกหมดเลยตับก็ออกไตก็ออก ขี้อ่อนขี้แก่เอาออกมดเห็นเหลือเหลือแต่โครงกระดูกตั้งข้อยกไว้ทรงตัวอีกไม่ได้ต้องอาหาอะไรมาแขวนไว้ก่อนกรดูของเรานะีทีนี้หาความเป็นตัวตนอยู่ในนั้นมีไหมในอะไรอะ่ะ ในตัวของเราเนยผมเป็นตัวตนเหนือหรือว่าขนเป็นตัวตนหรือว่าหนังเป็นตัวตนมันมีไหมหาลงไปหาขอเป็นตัวเป็นตนลงไปมันไม่เห็นมันไม่มี มันมีแต่ดินมีแต่น้ํามีแต่ลมแต่ไฟมันเป็นธาตุสี่มันมีแต่ดินมีแต่น้ำมันสลายลงไปแล้วคำว่าตัวตั ว, ตวมันหมดไปแล้วเป็นดินเป็นน้ําไปแล้วเราลองพิจารณาดู คนที่จิตตั้งมั่นแล้วลองพิจารณาดูถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นอย่าเพิ่งพิ จ, พงพจารณาเอาให้จิตตั้งมั่นเสียก่อนจึงค่พิจารณาที่จนาลงไปกระดูกของเรามีตัวตนม น, า น, านมั้นไหม เราต้องเอาไปเผาไฟดูไฟร่อนร่อนไม้ติงไม้แดงฐานไฟกล้าที่สุดเลยดีที่สุดไฟยุบแล้วก็ไปเก็บดูกระดูกของเรามันอยู่ตรงไหน กระดูกแขนมันเป็นยังไงกระดูกขามันเป็นยังไงกระดูกหลังกระดูกซี่โครงกระดูกกระโลกศีรษะกระดูกคอกระดูกหลังมันไปไหนหมดมันกลายเป็นฝุ่นไปที่อ่อน่อนที่มันแข็งอยู่ก็มีกระดูกกระโหลกศีรษะก็แตกสลายแล้วละ่ะแตยังแข็งอยู่ปรากฏมากอยู่เราก็ออก เขาไปทำความละเอียดเข้าไปอีกบทดให้ละเอียดใส่กระด่งสลัดขึ้นฟ้านเห็นต่ควนขโมงเลยเราเอาอะไรมาเป็นตัวตวนใหม่มันมีต่ควนขงมงตัวตวนเราไม่มี เรามาใส่หลางกายนี้ทำความดีทำบุญทำกุศลสร้างสมบมัรมีปฏิบัติธรรมให้ได้มักได้ผลให้มีสมาธิให้มีฌานให้มีมักให้มีผลให้มีนิพพานเกิดขึ้ น, นเรามาใส่หลางนี้ทำ แต่ผู้มาอาศัยก็ไปเลยพอหลางนี้หายใจออกแล้วไม่เข้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกเีวตายเลยตายแล้วพิจารณาหาเราดูมันก็ไม่มีเลยนื้นาำมังสามันก็ไม่มีตัวเราหายไปหมดวันนี้ไปหมด ก็ดูก็ไม่ใช่ตัวเราพวกเราได้งายเราเอาไปบทใส่ถานหรือบทใส่กระดูกดูสิเห็นละเอียดแล้วก็โยนขึ้นฟ้าควนขมุ้มไม่มีตัวตนเลยทำจนวันจำนานหาตัวตนให้ได้ให้เจอ จนไม่มีตัวตนคนรู้ว่าโอ้ ต, ตัวตนมันไม่มีนี่ให้พิารณาจะนี่ไปบ่อยิตก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันนี่เป็นพระอริยบุคคลสกิทาคามีเป็นพระอริยบุคคล เป็นอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลอรหันต์นั่นถึงที่สุดของทุกแหละทุกมันสุดแล้วไม่มีอีกถ้าถึงอรหันต์แล้วทุกมันสุดแล้วมันไม่มีอะไรจะไปทุกอีกทุกกายมีอยู่ทุกใจไม่มีนัน เก็บหลังเก็บเอวกวดนั้นปวดนี่มีอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะยังมีร่างกายยังไม่แตกสลายถ้าแตกสลายแล้วก็ไม่มีเราจะอะไรมาทุกขีปปิญญาของเราก็เข้าคดีผ่านเนยละเอียดไปเลยนแหละ ปฏิบัติตามคำสอนพุธิจารมันเดียวมากมายหรอกมากมายันเป็นความรู้เรียนรู้ศึกษาหาความรู้ดูสิตัวเราทั้งตัวนี่มีตาสองตา มีหูสองหูมีจมูกสองจมูกสองลูกมีปากตาหูจมูกตาหูจมูกดิ้นกาย คือตัวเรทั้งหมดที่นอกเหนือจากตาหูจมูกปากก็รเป็นกายส่วนอีกเป็นนมามธรรมกว่าเป็นใจคนคนหนึ่งประกอบด้วยเท่านี้แหละประกอบด้วยตาประกอบด้วยหูประกอบด้วยจมูกประกอบด้วยลิ้นโดยปากประกอบด้วยกายประกอบด้วยใจ ตอนนี้ใจใจคือผู้รู้สึกผู้นึกคือคิดถ้ากายนี้ต า, ตายแล้วแตกสลายแล้วใจไม่อยู่ต้องไปตามบุญตามบาปเราทำบาปไปมากจินไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติทานไม่ให้เราก็ลำบาก ก็ไม่มีบุญมีกุศลก็ไปสู่คุมอันเดือดร้อนเช่นคุมสัตว์ดิลสานหมูหมากาไก่แลี้ยงนี่ลืมไปละน่นและนกนูปูปีกมาเป็นสัตว์ดิลสานเพราะกิจเราไม่มีบุญเลย เราไม่บุญเราไปตามบาปบันีิตเขาเกิดเป็นจ า, ารีตสารหมูม้ากาไก่จิงจกตุกแกนั่นแหละมันมีภูมิต่ำกว่าพวกเราอีกไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรอไม่รู้จักให้ทาไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักทำคุณงามความดีอะไรเลยแหละ เรามาตกอยู่ในฐานะแบบนั้นก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นให้ฐานก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่เป็นปฏิบัติปฏิบั ต, บติสมาธิวิปัสสนาก็ไม่เป็นหาศส่ปากใส่ท้องบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินนี่แหละ เกิดต่เลงไปกว่านั้นก็เป็นพูดผีปีศาจยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีความนิวโหยอดอยากกินอะไรก็ยากปากเท่ารูเข็มเนี่ยถ้าไม่ไปสู่ภพนี้ก็ไปสู่ภพมันต่ำกว่านี้อีก มีเปคมนะลกนลกมีอยู่แปดขุมทำไมเขาไม่เรียกว่าจังหวัดหรือภาพหรือตำบลอำเภอทำไมเขาเรียกว่าเป็นขุมเขาเรียกว่าเป็นขุม เขาไม่เรียกว่าเป็นอำเภอไม่เรียกว่าเป็นจังหวัดไม่เรียกว่าตำบลเขาเรียกว่าเป็นคุ้มขุมปไปเลยเป็นหลุมเป็นมีชั้นสีวรรกขุที่หนึ่งอันนี้เรียกว่ า, วามหาเนกนะมั น, นยไม่ใช่เนรลกเล็กๆน้อยๆนะอันนี้มหานรก สันตีวนโลกตายแล้วตกลงไปในลกนั้นเขาโยนลงไปเขาโยนลงไปในในรกถูกความร้อนเนื้อหนังมั ง, มงสาเปอยออกหมดเลยเหลือแต่โครงกระดูกตายไปเมื่อกมยังไม่สิน้น ก็ต้องเกิดอีกก็ถูกต้มถูกเผาถูกนั่นจนเปื่อยจนหมดแหละเหลือแต่กระดูกอีกเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณห้าร้อยกับเป็นประมาณห้าร้อยกับ กับหนึ่งนั้นมีสะใบาหนึ่งสูงหนึ่งโยต์กว้างหนึ่งโยต์ยาวหนึ่งโยต์โยหนึ่งมีส0 0เส้นร้อยปีมีเทวดาเอาเมต nga เนี่ยมาทิ้งลงในสะนั้นร้อยปีกับเพียนพระยามมาเ จนสะใบนั้นเต็มไปด้วยเม็ดงาจนสะใบนั้นเต็มไปด้วยเม็ดงาเสมอขอปากพอดีแต่ว่าขับก็ยังไม่ได้สิ้นสุดจุดพุทธมันนั่นนะมันไม่มันยังมีอยู่ต่อไปอีกหน่อยนึงนี่แหละ ที่ว่ากลับเราก็ลองคิดดูสิว่าร้อยปีเอาเม็ดงามาใส่ถ้าก้อนหินหรือว่าเอาดินมาใส่เป็นขั้นรถแต่ตระก็ไม่ก็ยังไม่คิดว่ามันหนักหนาปานนั้นแต่นี้เอาเม็ดเม็ดงาเม็ดพันฝักกะในน้อยเนี่ยมาวางลงร้อปีจึงออกมาทีหนึง จนมันเต็มจนมันเต็มมากๆจริงๆนี่แหละทีนี้เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันชีวันลกุก นับเวลามนุษย์เรานับเวลามนุษย์เรา9ล้านปีมนุษย์9ล้านปีมนุษย์จึงจะเท่ากับวันหนึ่งคืน1ของสันสีวรรณลกกลับมาเนี่ยไม่ต้องถึงล้านหรอกไปอยู่กรุงเทพสัก ยี่สิบปีกลับมาหาลูกค้าหลา น, นมันก็จําไม่ได้แล้วว่าใครเป็นใค ร, รสักร้อยปีเราไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวไม่ไม่ขึ้นมาบ้านเล ย, เยพอเรามามาขึ้นมาเน่ยน่อ้าวคนนั้นก็ไปแล้วคนนึงก็ไปแล้วหมดมันเป็นยังไงนี่เก้าล้านปีมันจะมีเวลามาบอกเราได้ยังไง ไปตกแค่วันวันเดียวขอ ง, ของนั้นนะ่ะมาเปรียบเทียบในมนุษย์เอะดูสิเก้าล้านปีนรกนั้นมีอยู่ห้าร้อยกลับกลับหนึ่งก็เท่ามิตรงาที่ร้อยปีเอามาลงเอามาลงห่ังที่อธิบายมานั้นนะ่นี่มันน่าจรดชัองเวทจริงนะ นรกขุมแรกขุมที่สองกาลาสุตานรกเีนือทุกท ร, รมานกว่าขุมแรกคือสันติวานรกที่ว่ากาสุตานรกเขาเอาได้ดำนะ ซุปน้าดํๆแล้วก็ตีตาเพี้ยลไปให้เป็นทางเอาเลื่อยมาเลื่อยไปตามนั้นนะเก็บปะไหนก็อดทนเราลององนแหละทไม่สินเนตะ้องลองเียจนตายไปตายไปฟืนมาสายไปอีกเลื่อยไปอีกเลืยท้องเลืยไส้เลื่อยค อ, เ ล, อ, ย เ, ล อ, ยอเลื่อยปากเลื่อยขาเลืยแขน เรื่อยไปยน๊้ดนี่ถูกข์มากอันนี้คุมที่สองนี่คุมที่สามคือสังคาตานรกอันนี้ก็สุดทุกข์ทุกขกว่าคุมที่สองคุมที่สี่นี่ โลล้วนนรกเสียงร้องงงไปหมดเลยโลล้วนนรกทุกข์มากกว่าสันสีวานนรกมากกว่าสังคาตานรกมากกว่าเออกาลาสุดตานรกมหาโลล้วนโลก ไล่ไปเรื่อยจนถึง8ปดนรกตาปนานรกมหาตาปนานรกไอเวกีมหานรกนใครอยากไปอยู่ไอเวกีมหานรกก็ต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้เลือดพระโลหิดท่อ เอาเลือดเลยอก้อนหินทอนไม้มาทุบตีนพุทธเจ้าให้แตกให้โอ้เหนคือไม่สามารถทุบให้แตกแต่ทุบให้เกิดเลือดแค้นเลือดคลนอยู่นั่นแหะท่านว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ก็พระเทวทัตก็เคยงัดหินจากยอดภูเขาทิศกูด ลงมาตามทางสกิจส่วนหนึ่งน้อยหนึ่งไปตำหลังเท้าของพระเจ้าห่อพระโลหขึ้นมาเจ้าห่อเลือดบาปนั้นตกถึงอวิีมหานรกเลยนี่แหละยังสงฆ์แตกสามขีกันอันนี้ก็ ทำไมพระแตกแยกกันเป็นฟักเป็นฝ่ายเป็นลัทิดีกายแยียความสามคัคคีนี่แหละตายไปแล้วทุกมากทุกที่สุดเลยพธีวทัดเต เดือดเบียนกันอยู่นี่แหละจินรกกิตเราถ้าไม่มีความดีกาไปนี่แหละเขาทํทำอย่างไรกับพ่อกับแม่จะเป็นพูดเป็นด่าเป็นว่าเป็นบน่นให้บิดามันดา่ามันก็บาปแล้ว แต่เด้ขฆ่าบิดามารดาฆ่ามารดาเขาตกไปกีมหาลกูกใดไม่มีทางแก้ไขบวชก็ไม่ได้เลยนะพะพุทธเจ้าไม่ให้บวชบวชคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ให้บวชเพราะกรรมหนักลับไปแล้วนี่แหละ ลองคิดดูสิว่าเราเกิดมาเราจะมาทำความชั่วไม่มีใครคิดหรอกที่อยากจะเกิดมาเพื่อทำบงชั่วมีแต่อยากได้ความดีเท่านั้ น, นแลเราจึงอดตาหลับขับตานอนมาปฏิบัติธรรมที่วัดปา่าเราให้โศก นั่งทั้งวันสองวันแล้วเหมือนขาจะสีกโบจะกันนี่แหละเก็บไปไมัมงไม่เคยทำเหนื่อยแถมยังกินข้าวมือเดียวบางวันก็อาหารว่างตอนกินก็ต้มใบ ไ, ไม้ให้กันกินนี่ว่ายาปนาัดคือยาที่ทำกินเขาไปแล้วทำให้ร่างกายอยู่ได้ ไม่ทรมานเกินเกินไปเราก็อดก็ทนก็ต่อสู้ดินน้นรนเพื่อที่จะให้ได้ความดีเต็มที่ให้มีมากมีคนเกิดขึ้นนี่เราอดทนอันนี้เราจะได้ความดีเราไม่อยากไปสู่อพยภูมิ สัตยดาสาสัตวโลกปีติชุลกายเขาไม่อยากไปเพราะภูมินั้นเป็นภูมิเดือดร้อนภูมิคนผู้มีบาปที่ต้องไปอยู่ส่วนภูมิของผู้มีบุญไปอยู่มีภูมิไหนบ้างหนึ่งภูมิมนุษย์ภูมิมนุษย์นี่สามารถมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ไม่ได้ตัดที่สวรรค์ที่ภู ม, มโลกนะตัสรู้ที่มนุษย์มาตัดมนุษย์สรูที่มนุษย์สังเกตดูให้ดีนี่เลย่ามนุษย์สภูมิอันนี้ภูมิของคนมีบุญอยู่มีบุญตัวหาเงินหาทองก็ได้ทำมาหากินก็ได้ทำอะไรก็ได้กินเหล้ามอเบียก็ได้ ทำชั่วทำผิดก็ได้ทําถูกก็ได้ผู้มนุษย์ถ้ายิ่งไปกว่านั้นเอาเวลามันจะหมดเดินผู้มีสวรรค์สวรรค์มีอยู่6ชั้นจาตุมดาวดึงยามาตุสิตานิมานะดี ปาลิลิตาสวัสดีอันนี้เป็นที่อยู่ของเทวดาคนมีบุญระดับที่ต้องไปเป็นเทวดาพมพมก็มีอยู่ยี่สิบชั้นมีสุทาวาสคมวโลกเป็นต้นแต่เรามาปฏิบัติธรรม ทำให้กิจสงบมีมากมีผลเป็นอนาคามีเราก็ไม่ต้องมาเกิดในภพมนุษย์อีกปฏิบัติธรรมอยู่เบื้องบนสวรรค์มันนะพรมรลกมนะันในที่สุดก็ได้สำเร็จอหรหันอยู่ภพมโลกสุชาวา ตายจากความพิมพมแล้วก็เข้าพระนิพพานนั่น น, นี่แหละยภาตสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเป็นของพวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่เรามาทำความดีอย่างนี้แค่เวลากิวันเราจะทำไม่ได้เจ้าล ครูบาอาจารย์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้วเราจะทําไม่ได้หรือเราจะหมดจริงๆหรือมันต้องได้สิถ้าปฏิบัติให้มันได้มันต้องได้ปฏิบัติถูกแล้วยังไงมันก็ต้องได้ปฏิบัติไม่ถูกมันก็ไม่ได้ก็แล้วนี่ถูกไม่ถูกครูบาอาจารย์กระสังสอนอยู่แล้วทําไมจะไม่ ไม่ได้นี่ก็ลองว่ากันไปเวลาหมดแล้วอีหวังกุมด้วยปรากาศจะนี้